ท่านประโยคนาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านท่านหลายได้พากันสมาทานรปกรรมฐานสมาทานสินแล้วในโอกาสต่อ น, นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านท่านหลายให้ปฏิบัติในกรรมฐานด้าน พระสกิธาคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่เราขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตักิเลสไม่หมดเป็นได้เพียง ว, ว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบสุดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคําว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเสริญความเสะเทือนใจสําหรับท่านที่เป็นสัพพโซนดาบันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุถุชนคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสความวันไหวประเภทนั้นไม่มี เนก่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นหมกบุคคลที่ถือมงคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่ก็คือกัว่าที่นั่นดีก็คือกันว่าทิ่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเบอร์โสนดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วคนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แค่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสำคัญท่านเป็นคนไม่อัตตัญต์อยู่รู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแลแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโธตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนนั้นหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบอาจารย์สอนมันแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกอหินอนาโธโรูิยาก้อนนี้หมายความว่าคนอื่นบุคคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึงได้อธาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาถังลาปฏิทุนลพัง เราจะได้ที่พึ่งอันปุคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่านสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่านหลายสอนเรามาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโ น, น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสาคัญถ้าเราไม่ดี นี่จำพมบาลียนิวัย้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประโสนดาบันคือเป็นพระริยาเจ้าขั้นตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิ้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าท่านจะไปทางไหนนะผลห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดตัวหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีมัก พระสั k t ิธ h a k a m ีมักนี่ต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คืนหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานสองพรหมิหาร4ีสามอะไรดีละ่ะสองพรหมิหาร4ีและสามจาคานุสติกรรมฐาน และก็สี่ร่วมด้วยกายคตานุสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้นไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันที่ละน้อยละน้อ ย, อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านตั้งนี้เขาพ้ออะไรเขาต้องขออภยัยบีบาลท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> แต่ความจริงครับว่อความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคามีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทําไม่ได้่การแนะนํากันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนํำเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คําแนะนํานี้เป็นดํารายาวนานไปกว่านี้หลายสิบปีถ้าเป็นร้อยปี ฉะนั้นก็ยัต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรักกันด้านสมาธิให้หนักระสักหน่อยเนื่องก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบันเทาในราคะความรัก โลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่าอาการดังสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิทาคามีผลหากว่าจะพึงเข้าถึงโปรยเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี เห็นคนสวยก็เห็นเมือก็เห็นแา่ศก <c oughs> เห็นวัตถุที่สวยก็เหมือเหมือนกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบแสการะไม่มีในพระสีทาคามีเพราะกำลังความโลภมันตกไปคลานต้มเตี่ยมตมเตียมเหมือนกับกุ้งใกล้กลจะตาย อำนายความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคำที่บุคคลปราโมชาก็หายากความหลงในสรีระร่างกายทรัพย์สมบัติทันหลายมันก็เปลียเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีธาคามีผลนี่ผมพูดถึงตอนจบถ้าเข้าสิธาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ข้ออารมณ์เราหมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสิทธาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระนาคามีแชนแล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอนำวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงก็เป็นโรคเส้นประสาทไปง่อยเปียดเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งคัดเกินไปยานี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอสุปะอสุปะสัญญาเอาอาสุขเกก่อนพิจารณาด้านอสุปะสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรมฐานจับลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้ลมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี้ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการเยี่ก้าวเข้าไปสู่พระสิกขาพ ร, พระสิกธาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีเือสสงนานาปานุสติกับพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปรง่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนหรือว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาสุภกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็จะขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมให้หมด ลืมว่าคนนั่นเขาว่าเราคนนี้นเขาด่าเราคนนั้นเขาเกลียดเราคนนี้นเขารักเราคนนั้นเขาสนเสริญเราอารมณ์คุนโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถามันดาศักเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันหรือ ม, มันอารมณ์อย่างนี้หรือ ม, มันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์ใจลมกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสาหรับเรา เราลืมโลกกระทำแบบระการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมย่าสนใจนึก็ลืมคำปราโมทย์ทันไหลลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย เพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวในอารมณ์ของนิวรณ์ห้าตอนนี้นิวรณ์ห้ายังควรใจอยู่กามฉชั้นทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความเพียรบอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเสียหมด ถ้ารมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็แสแดงว่าเราชั่วมากเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎของกรรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายบวกคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมเส้หมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิบัานี้เป็นปฏิบัาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน เรารบกับวิเลสเราก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเข้ารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอนหนอกายของเหานี้มันจะทรงได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพมันกบผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันพีหลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเทียนน้อยดาน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่านโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึกถึงความเป็นนุ่มสาวมีความเ ป, ปล่งปลั่งตอนนี้มีความปรารถนากันมาก เมื่อรักกูกูรักมึ่อยากจะเข้าเคลียโยเป็นคู่สามีพัญญาเส้นกันอะกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นเข า, าน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสนั่นหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสเลตน้ำลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกบันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สุปภกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสุปภกมันเลวแสนเลวเนี่ยอารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสุปรก แล้วมันก็หาความจรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความทุดมีความโทรมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพรันตายเราตายเขาตายอาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะเฉาบ้านเขาถือเราถือเขา เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ตายเขาก็ตายเอ้ะเราก็สุขปรกเขาก็สุขปรกมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่อง น, นิมิตข้มหมายที่จะส่งไว้สิ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาว่า ธาตุสี่ที่มันคุมเข้ามาเป็นร่างกายแบ่งเป็นอาการสามสิบสองมันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดการตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมาแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยเขาสวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตายายของเขาว่าถ้าหากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่ครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย สิ่งนี้เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากําลังรักลุกหญิงลุกชายของเขาอยากเหนได้มีคู่ครองมีว่าร่างกายของเขาสงา่าผ่าเผยมีความสวยสดงงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไปหระ สภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ใชาบ้านคนหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบุรุษสตีที่เรารักก็ไม่สภาพเหมือนกันแล้วเราก็ตั้งหน้าต่้งตาหลอกคนอืน่นเาภาพผ่อนทอนสบายเครื่องแพรพันธ์นหลายมห่ห่มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเขาจะทํายังไงก็ตามร่างกายมันก็ส่งเข้าไปหาคนที่แกกว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงโกดปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ยา่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปทึงทวดเธอแต่มีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีนมเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎของความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุดสมณเนจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีว่าถูถาต่า้งหมคคนดีไม่มีอะไรกีรั ง, ย, งยั่งยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทากลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดแม้ร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆฉะนั้ขอบรรดาตในพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุภกรรมฐานอย่างเดียวพอพิจารณาอาสุภกรรมฐานกับกายขจารุ้สติ มิจิรณาให้เห็นตรงไห้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไป ด, ดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว มันดูในเวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นแหละคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันอย่าสวยตรงไหนเต่ไม่ไดความสุขปรกจะเอาคำว่าสวยมาจากไหนถ้าอย่าถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สุกัโลกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่ส่งไว้ถึงความจรางอย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่เข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงกงามตามที่เราคิดด้วยความโง่อีกหรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนาะเห็นว่าสวยสดกดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มได้วยความผุพังเก่าค้ำคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสันลายตัวของมันเรายังพอใจหรื อ, อยังไงเป็นอันว่า รงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้บ่้ร่างกายของเราพอดีของเขาก็ดีมันเต็มไปด้วยความสุขปงบและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยนืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมื่อนาปานณสติกมามฐานคือรมปรานสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางศิฎิมาสวยแสนสวยแต่ได้ ว, ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จประทรงทัานบรมศาสนดาทรงนาพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดา พ, พระท่านหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดแปลกายขายนาสิริมาพันบาทพันกะหาบนะไม่มีใครซื้อให้ยกให้แบบเปล่านางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้หนักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นาสิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจขมันดาแขกเมืองทันไล แต่ว่าตายไปแล้วสามวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาแปรอารมณ์สัน้นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ทานนุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดอยนในอารมณ์ควาสุขกรมกรรมนันกับกายคตานุสติและสกายติติเป็นตัวตัดกิเลสเป็นได้ของราคะจริตคือการมาราคะจะค่อยๆสลายตัวไป แล่าคอยท่านั่นหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความจีรังย่างหยินมีความสวยสดงดงามที่เราน่ารักน่าประทานนาน่าใคร่น่าพอใจจงทงกำลังใจอันท่านยอมรับนับเพีกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วสำหรับวันนี้สำหรับปัสสุพปปันธยากราปยากตานุสติ กับสกายติธิวันนี้ก็ขอยุติวัต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูด ล, ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจฉรัยจึงจกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสองควรสาหรับท่านสวัสดี